ใครว่าตัวเองรักตัวเองถูกทางแล้วรักตัวเองที่ถูกทางรักยังไงพาตัวเองไปกินหมูกระทะใช่ไหมพาตัวเองไปกินกุ้งเต้นอันนี้ อันนี้รักตัวเองไม่ถูกทางนะพาตัวเองไปนวดหน้าไปเสริมจมูกไปซื้อครีมทานหน้าแพงๆใช่ไหมถ้ารักตัวเองอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าย่ำยีสีไฟตัวเองให้ร้อนเพิ่มขึ้น แต่ทีนี้พวกเรามันรักตัวเองไม่ถูกทางถ้ารักตัวเองให้ถูกทางต้องฝึกให้ตัวเองคิดดีพูดดีทำดีไม่สร้างศัตรูพอเข้าใจไหมให้ตัวเอง เป็นผู้อยู่ในขอบเขตของสินจุดตลอดอันนั้นคือรักตัวเองที่ถูกทางพวกเรามาถึงเมืองมนุษย์เนี่ยกว่าจะได้มาแต่ละภพระชาติยากมากแต่วันนี้มันนั่งอยู่ที่เมืองมนุษย์ตามันนี้นะ ไม่มีใครเชิญมานะเรามาด้วยบุญของตัวเองใช่ไหมไม่รู้ว่าเราทำบุญอะไรไว้ในอดีตชาติเอามารวมกันเข้าแล้วเลยเป็นมนุษย์พอดีถึงได้มาถึงนี้วันนี้ถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์คงจะวิ่งล่อนอยู่แถวน่้นเล้ว พอดีเป็นมนุษย์ก็เลยมาทํางานอยู่ทีโอทีพอดี body. เพราะฉะนั้นมาถึงเมืองมนุษย์ชาตินี้เป็นชาติพิเศษกว่าทุกทุกชาติที่เคยเข้ามาใช่หรือไม่เพราะยังไม่รู้ก็ยังไม่ได้ตอบไม่ได้เนาะว่ามันพิเศษยังไง ชาตินี้อาตมาอยากจะบอกว่าเป็นชาติพิเศษของพวกเราพิเศษกว่าชาติอื่นๆหลายหลายพันเท่าหลายแสนเท่าทำไมถึงพูดอย่างนี้การที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยไม่ธรรมดาจากมาก เกิดเป็นมนุษย์แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าจะทำให้ตัวเองเป็นมนุษย์ติดต่อกันสองชาติสามชาติก็เป็นเรื่องยากที่สุดอันนี้คือความพิเศษอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือคำว่าศาสาานาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราจะเจอได้ง่ายๆนะ ถ้าไม่มีศาสนาเกิดขึ้นเราจะมีหลวงพ่อบิลยังไหมถ้าศาสนาพุทธไม่เกิดขึ้นเราจะเจอหลวงพ่อวิลยังไหมเราจะเจออาจารย์ชายแทนไหมเราว่าไม่เจอนะคนเหล่านี้ไม่เจอ เพราะฉะนั้นพิเศษอย่างที่สองคือเจอศาสนาพิเศษอย่างที่สามคือมีผู้ที่รู้แจ้งเห็นจริงในพระพุทธศาสนามาบรรยายสาธยายให้พวกเราเข้าใจเนี่ยความพิเศษมันเยอะนะเพราะฉะนั้น ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาหลวงปู่มั่นจะเป็นพระอระหันต์ไหมไม่เป็นนะไม่เป็นดังนั้นวิชาที่จะทำให้จิตทุกดวงเป็นพระอระหันต์ขึ้นมาได้ก็เป็นวิชาทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นพอเข้าใจไหม ให้พวกคุณฟังแล้วก็คิดตามไปคิดไปคิดไปเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นของฟรีที่มีคุณค่ามากที่สุดคนทั้งหลายก็ไม่ได้ตักตวงเอาเลย มันเป็นกรรมส่วนหนึ่งของพวกเรานะเกิดขึ้นในยุควัตถุเจริญพวกเราก็ตกเป็นทาสของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตกเป็นทาสของเทคโนโลยีที่เขาให้ชื่อว่าอะไรนะติกตอกแนะ้ะ ไปแล้วตอกติ๊กตกิตก๊กดอกติเฟนพวกเราก็เลยเป็นคำอีกชนิดหนึ่งที่มาทำให้พวกเราห่างศาสนาออกไปออกไปเหมือนกลื่นกระทบฝั่งกลื่นกระทบฝั่งแล้วก็ซัดออกแทนที่จะขึ้นฝั่งได้ซัดออก ไปไกลไกลฝั่งออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยจนเดี๋ยวนี้ลิบหลีแล้วห่างจากฝั่งไปลิบหลี่แล้วจะทวนกระแสเข้ามาฝั่งนี้รู้สึกว่ายากเสียญยากนะเดี๋ยวนี้นะแล้วถึงบอกว่าเออครูอาจารย์ก็เยอะนะ มาฉันมาบินทบาทมาฉันมาสวดมนต์บ้างมาบรรยายธรรมบ้างพวกเราก็มีเวลาให้แค่นิดๆหน่อยๆจะทำความเข้าใจให้กับตัวเองแล้วนำสิ่งเหล่านี้ไปสอนตัวเองให้เป็น พระโสดาสกิทาคาอนาคาหะระหันก็ไม่พากันทาอันนี้ล่ละเราจะเสียการจิตทุกดวงเขามีหน้าที่ประจำตัวของเขาคือเศพติดทางอารมณ์ซึ่ง ตัวของเขาก็ช่วยตัวเขาไม่ได้ผู้ที่จะช่วยได้มีอยู่คนเดียวคือตัวของเราแต่พวกเราก็ไม่ได้ช่วยเลยใช่ไหมพวกเราเคยกโกรธไหมเราดูหน้าก็นึกว่าไม่เคยเนาะ เราเคยด่าคนอื่นในใจไหมเคยกระซิงเหล่านี้ลหละมันจะกลายไปเป็นสมบัติใจทีนี้เรามาดูเรามาถึงเมืองมนุษย์แล้ว สิ่งที่สำคัญอยู่ในตัวของเรามีอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งคือร่างกายอย่างที่สองจิตใจระหว่างร่างกายกับจิตใจทีนี้คนส่วนมาก จะมาเข้าใจว่าร่างกายอันนี้คือเราใช่ไหมผู้นั่งเทศอยู่นี้ก็บอกว่าเหมือนกันเราก็บอกว่าร่างกายคือเราแต่พอามาศึกษาทางศาสนาจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งซึ่งโลกบอกว่าไม่ใช่ พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่เราก็มาค้นหามาร่างกายนี้คืออะไรเราค้นไปค้นไปค้นไปก็ไ ป, ไปเจอนะอ๋อร่างกายอันนี้คือก้อนบุญจากอดีตชาติซึ่งจิตอันนี้ล่ะเขาสร้างไว้จากอดีตชาติ เอามารวมกันเข้าแล้วมาได้เกิดเป็นมนุษย์พอดีเขาเรียกว่าก้อนบุญจากอดีตชาติร่างกายอันเนี้ยเมื่อเขาเกิดมาแล้วเขามีหน้าที่ของเขาอยู่สามอย่างเมื่อเขาเกิดมาแล้วเขามีหน้าที่ของเขาอยู่สามอย่าง อย่างที่หนึ่งคือต้องแก่อย่างที่สวงคือต้องเก็บอย่างที่สามคือต้องตายใช่หรือไม่ใช่ไหมเขาไม่เคยฟังใครเลยเขาไม่เคยฟังใครแม้แต่ผู้ บทบากมากเป็นเจ้าของก็ไม่สามารถที่จะควบคุมเขาได้เลยไม่ให้แก่ไม่ให้เก็บไม่ให้ตายเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมจะเลี้ยงดูปูเสือเขาจะให้เขาทานอาหารระดับพัฒตาคารทุกมือ้อทุกวันเขาก็ต้องไปนี้แหละ แกแล้วก็เก็บแล้วก็ตายจะไม่ให้เขาทำการทำงานอะไรเลยนอนอยู่อย่างสบายเขาก็ไม่ฟังเขาต้องไปนี้ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายทีนี้เมื่ออุบัติขึ้นมาแล้วเขามีเวลาจำกัดนะพวกคุณ ร่างกายอันนี้เขามีเวลาจํากัดของเขาพอถึงวันตายยิงๆเนี่ยหมอเอาไม่อยู่นะยาก็เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่จําเป็นต้องตายนั้นคือหมดเวลาเพราะฉะนั้นให้พวกเราอย่าอย่าเบ้อเกินไปกับร่างกายอันนี้อย่าพากันเบ้อเข้าใจไหม พากันดูแลให้พอดีพอดีให้อาหารก็ไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่ต้องเวอร์เกินไปพอเข้าวัดเข้าวา่าเข้าสังคมแม้ละอายเขาก็พอแล้วสิ่งสำคัญที่สุดกับร่างกายอันนี้คือต้องใช้ให้เป็น รักษาไว้แล้วต้องใช้ให้เป็นใชอยังไงอย่ า, อยาเอาไปใช้ไปด่าคนนั้นว่าคนนี้ถ้าเราเอาใช้ไปอย่างนั้นเราใช้ไม่เป็นนะ่ะใช้เป็นจะได้บุญจากร่างกายอันนี้มากที่สุด อย่างเช่นพวกเราเอามาวันนี้ใช้เป็นไหมแต่ว่าพวกคุณใช้เป็นนะเดี๋ยนี้นะถ้าไปพาลากอนใช้เป็นไหมเราบอกว่ารูปแบบของโลกเจริญพวกคุณรู้ไหมว่ามันค่อยๆเจริญขึ้นไปนะ่ะเจริญขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไ ป, ข, นไ ป, ข, นไปขึ้นไปแล้ว พอมันถึงที่สุดแล้วมันดิ่งเลยนะมันดิ่งเลยที่สุดแห่งความเจริญคือธรรมชาติหมดแล้วเมื่อธรรมชาติหมดมันก็ดิ่งเลยมันไม่ได้ลงแบบนี้นะมันดิ่งเลย เพราะฉะนั้นความเจริญของโลกมันก็เป็นสิ่งหลอกลวงลวงหูลวงตาลวงจมูกลวงกายลวงใจพวกเราซึ่งความอยากเหล่านี้มันบ่งการอยู่ข้างในจิตแต่และดวงคือความอยากแต่และสิ่งละอยา่างในตัณหามันผลักดันออกมานะ่ะดันออกมาดัานออกมาเป็นอารมณ์เป็นความอยาก โดยอาศัยจิตตัวนี้มาบงการบงการผู้เป็นเจ้าของให้แสวงหาก็เกิดทุกข์ได้ไม่ได้มาก็าทุกข์ได้มาแล้วกว็ทุกข์เพราะฉะนั้นอยากจะบอกพวกเราเป็นคำสุดท้ายในโลกใบนี้ว่าไม่มีอะไรที่จะมาเสนอสนองให้ คนทุกคนได้สมหวังไปได้เข้าใจไหมยิ่งวันสุดท้ายวันที่เราจะผิดหวังอย่างยิ่งใหญ่เลยลนะ่ะวันสุดท้ายเพราะต้องจากทุกอย่างต้องทิ้งทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่พอใจหรือไม่พอใจก็ต้องทิ้งวันนั้น คนที่เราเข้าใจว่าเป็นคนของเราก็จะจากกันวันนั้นพอเข้าใจไหมคนที่เราเข้าใจว่าเป็นคนของเราก็คือสามีภรรยาเป็นลูกเป็นหลานจำเป็นต้องจากกันวันนั้น จะหึงจะหวงจะห่วงอะไรอาวราออนกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งคนใดคนหนึ่งจำเป็นจะต้องไปอันนี้คือการเกิดการตายดังนั้นเอาร่างกายมาปังเทศวันนี้พร้อมด้วยจิตใจใช่ไหมสิ่งที่เราจะได้รับประโยชน์ จากทางร่างกายกระรายไปเป็นสมบัติใจก็คือการฝั่งเทศถ้าร่างกายอันเนี้ยมาแต่ร่างกายเขาก็เรียกว่าถ้ามาแต่ร่างกายกจิตใจไม่มาเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรสุส ถ้ามาแต่จิตใจร่างกายไม่ม า, าผีเพราะฉะนั้นร่างกายอันนี้ไม่ใช่เราแต่อยากจะบอกพวกเราให้รู้จักเขาว่าเขาคือเครื่องมืออันสำคัญของแต่ละคน เขาเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งเป็นสิ่งสำคัญของแต่ละคนซึ่งไปไหนไปด้วยใช่ัหมมีใครลืมร่างกายไว้จะต่างจังหวัดบ้างมีไหมไม่มีเครื่องมืออันนี้เป็นเครื่องมือที่ไปไหนไปด้วยเขามีเวลาของเขา เป็นเครื่องมือพิเศษประจำแต่ละคนแต่สุดท้ายไปไหนสุดท้ายร่างกายนี้ไปไหนขเข้าเตาเข้าเตาเผาใครเป็นคนเอาไปคนที่ว่ารักเราที่สุดใช่ไหม เขาบอกว่าเขาทําหน้าที่ของเขาอย่างสมบูรณ์นะถ้าได้เอาเราไปเผาถ้าเขาไม่ได้เอาเราไปเผาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําหน้าที่สมบูรณ์เลยใช่ไหมร่างกายอันเนี้ยพวกเราชอบให้เขาอยู่นิ่งๆใช่ไหม เพราะเราชอบนอนสบายใช่ไหมไม่ชอบวิ่งชอบออกกำลังนี่ไม่ชอบเลยใช่ไหมถ้ารองให้เขานอนอยู่อย่างสบายสักสองปีอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องขยับอยู่ตลอด การเดินการไปการทำงานการไปนั่นไปนี้ก็คือการขยับร่างกายถ้าให้เขาอยู่เฉยๆนอนอยู่เฉยๆตามที่เราคิดเขาเป็นง่อยแน่งานนี้นะส่วนจิตใจจิตใจเนี้ยอาจมาก็ค้นเหมือนกันนะได้ชื่อออกมาว่า ใจนี้คือแก่นแท้ของความเป็นชีวิตของแต่ละคนเข้าใจไหมแก่นแท้ของความเป็นชีวิตของแต่ละคนจิตใจดวงนี้เขาไม่เคยเจ็บป่วยแล้วเขาก็ไม่มีตัวตน ไม่มีลูกรักสันธานไม่มีแสงสีเสียงเขาไม่มีเพศไม่มีวัยสิงอยู่ในร่างผู้หญิงก็ไม่ได้เป็นเพศหญิงเลยเขาเป็นสัตว์ไรเพศเข้าใจไหมสิงอยู่ในร่างผู้ชายก็ไม่ไม่ได้เป็นผู้ชายจิตตวงเนี้ย เขาไม่มีเก่แล้วก็ไม่มีเก็บแล้วก็ไม่มีตายในโลกวัฏจักรเนี่ยเครื่องมือสังหารอะไรมีเยอะแยะจะมาสังหารจิตแต่ละดวงให้ดับไปนี่ไม่มีทางเขาตกนรกเป็นกับเป็นกันยังขึ้นมาได้อย่างสบายจิตเขาไม่มีตัวตนมองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้ แต่เขาเป็นเราเข้าใจไหมจิตดวงนี้ยเขากินอะไรไม่ได้ทั้งนั้นละ่ะเขากินอะไรไม่ได้ไม่มีน้ำหนักไม่เปลืองสถานที่อยู่ ไปท่องเที่ยวที่ไกลแสนไกลใช้เวลาไม่นานใช้เวลาไม่นานแต่มันเดี๋ยวนี้เขาอยู่ที่ไหนอ่ะแต่และ ว, วันเขาอยู่ที่ไหน ไม่อยู่นะไม่อยู่จิตใจดวงนี้จะไม่ชอบอยู่นิ่งๆต่างตรงกันข้ามกับร่างกายร่างกายนี้ถ้าอยู่นิ่งเป็นง่อยจิตใจเนี่ยถ้าจะให้เขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาเขาก็จะไม่มีคุณภาพ อย่างเช่นทุกวันนี้ธรรมชาติของเขาเขาติดอยู่ในดงอารมณ์ใช่ไหมพวกคุณเคยสังเกตตัวเองไหมว่าอาการอารมณ์คืออาการของจิตพวกคุณนอนตื่นตอนเช้ารู้สึกตัวขึ้นมายังไม่ได้แปลงฟันเลยเขาไปแล้ว ใช่ไหมเขาไปนั้นไปนี้ไปแล้วเราจะทําอาหารอยู่เขาก็ไม่ได้อยู่กับเรานะ่ยเขาไปล่อนอยู่โน่นนะคือจิตใจเนี่ความเป็นธรรมชาติของเขาคือการเสพติดทางอารมณ์เดี๋ยวเนี้ยความเป็นมนุษย์ประดับเขาอยู่เรียกว่ามนุษย์ถ้าออกจากเมืองมนุษย์ไป ถ้าสมมุติว่าหมามาประดับเขาเรียกว่าอะไรฮะถ้าถ้าถ้าสมมุติว่าหมามาประดับเขาเรียกว่าหมาใช่ไหมใช่หรือไม่ถ้าเปรตมาประดับเขาเรียกว่าเปรต เน่แก่นแท้ของความเป็นชีวิตคือจิตใจสิ่งที่มาประดับเข้าแก่ลับภพประชาติเขาเรียกว่าก้อนบุญพวกเราพอที่จะได้ก้อนบุญแบบไหนหลังจากออกจากเมืองมนุษย์ไปพอสรุปได้ไหม คงจะเป็นเทวดาอยู่ชั้นในชั้นหนึ่งใชยไหมเราบอกว่าจิตดวงเนี้ยเขาไม่เคยตายเขาไม่มีแก่มีเก็บมีตายเขาไม่มีเพศไม่มีวัยเขาไม่มีภพภูมิที่จะอยู่เป็นหลักเป็นฐานได้เลยเขามีหน้าที่อยู่อย่างเดียวคือ ไปเกิดแล้วก็ไปตายซึ่งไม่ใช่เขาเลยอันนั้นนะแต่เขาอยู่ในระบบนี้แหละการเกิดการตายนี่แหละทีนี้พวกเรามาถึงเมืองมนุษย์จิตใจดวงนี้เขาเสพติดทางอารมณ์แต่เขาช่วยตัวเองไม่ได้เลย จะออกจากดงอารมณ์มาสงบสักหน่อยเขาก็ทาตัวเองของเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักเกณฑ์หลักการที่จะให้เราพวกเราทั้งหลายพัฒนาจิตใจจิตใจดวงนี้จิตใจแต่ละดวงละดวงละดวงละดวงที่นั่งอยู่เนี่ยมันเป็นจิตใจที่ดัดได้สอนได้ทำความสะอาดได้ แต่พวกเราไม่ได้ทำกันใช่ไหมเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจการเมืองรู้สึกว่าย่ำแย่ลงทุกวันจิตใจของทุกสังคมรู้สึกว่าเสื่อมโทรมกันมากที่สุดเกิดอาการเครียดเกิดอาการซึมเศร้าหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์เดี๋ยวนี่นะ พวกเราทั้งหลายก็เป็นชาวพุทธแต่ไม่ได้ศึกษาความเป็นพุทธก็เลยไม่รู้จักว่าวิชาพุทธเป็นวิชาบำรุงรักษาจิตใจเข้าใจไหมก็เลยไม่รู้ตรงนี้วิชาของทางพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่จะบ่มเพราะจิตใจอันนี้ให้มีพลังขึ้น แต่พราะเราก็ไม่ได้ศึกษากันดังนั้นจิตใจดวงนี้เขาตกอยู่ในก้นเหวแห่งกองทุกซึ่งใครก็ช่วยเขาไม่ได้ผู้เป็นเจ้าของนี่แหละจะเข้าใจในหลักการของศาสนาแล้วไปช่วยจิต ด, ดวงนี้ขึ้นมาจากก้นเหวแห่งกองทุกเสียตั้งแต่วันนี้อันนี้ การบรรยายอยู่นี้เราเราจะเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติให้พวกคุณในชาติต่ อ, ตอไปนี้ให้เป็นให้เป็นสิ่งที่ดีๆคือการพัฒนาจิตใจวันหนึ่งพวกเราคิดกันกี่เรื่อง เรื่องถ้าเรื่องไหนโกรธมากยิ่งคิดเป็นวันๆเลยใช่ไหมในเรื่องเดียวส่วนมากจะคิดเรื่องบาปหรือเรื่องบุญมากกว่าบาปใช่ไหม สาเหตุไม่ได้พัฒนาทางใจเราคิดเรื่องบาปบาปนั้นกลายไปเป็นสมบัติใจตายไปแล้วเขาก็เอาบาปไปด้วยเมื่อบาปตัวที่ติดจิตใจไปด้วยเมื่อเขาให้ผลเราจะไปอยู่สถานที่สุขโตได้ไหม การแก้ไขทำไมไม่มีละ่ะนี่แหละพวกเราคว้าบาปกันทุกวันทุกเช้าทุกเย็นทุกเช้าทุกเย็นด้วยความคิดไม่รู้นี่แหละตั้งแต่วันจำความได้จนถึงวันออกจากเมืองมนุษย์มันจะขนาดไหนละ่ะเอาเท่ากับปึกทีโอทนี่แหละมัง่งแล้วจะไปที่ไหนกันทีนี้นะ เพราะฉะนั้นเราพร้อมทั้งร่างกายร่างกายก็หูไม่หนวกตาไม่บอดไม่ไม่ไมบ้าปัญญาสามกายไม่วิปปิจิตไม่วิป ร, จจตป ร, ราตก็ถือว่าประเสริฐจิตใจดวงนั้นก็ยังจำความได้ยังรู้ห้ารู้สิธรู้อะไรนั่นคือจิตใจดวงที่จะฝึกได้ดัดได้ แต่เราไม่ใช้โอกาสตรงนี้เลยถ้าพวกเราฝึกหัดดัดนิสัยของจิตอยู่ในศีลในธรรมจิตที่ดวงที่สัมมะเลเทเมาดาคนนั้นโกรธคนนี้อยู่นี่แหละเขาจะกลายไปเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคามี จนไปถึงความเป็นพระอระหันต์ทุกคนมีสิทธิ์แต่ทุกคนไม่ได้ให้ความสำคัญกับจิตใจพวกเราให้ความสำคัญกับร่างกายมากกว่าจิตใจสมมติว่าเราหนาวมากไม่มีผ้าหม่ม ระหว่างกายกับจิตใจใครทุกข์กว่าเรานั่งตากลมหนาวสะบั้นเลยเอ่ะระหว่างจิตใจกับร่างกายอันไหนได้รับความทุกข์มากกว่ากัน อยู่บ้านอยากทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยแล้วอันนี้เป็นเรื่องของกายหรือจิตไปถึงร้านก๋วยเตี๋ยวซัดไปหมดไปสองชามใครได้ประโยชน์มันก็รู้อยู่นะทำไมมันไม่ฉลาดสักหน่อยเลยจิตเนี่ยเขาอยู่นิ่งไม่เป็น จิตที่จะมีคุณภาพขึ้นมาได้คือจิตอยู่นิ่งๆไม่คิดอะไรทำไมทาไมพระพุทธเจ้าถึงให้ทำสมาธิทุกคนมีสมาธิยอยู่แล้วถ้าพวกคุณลืมโทรศัพท์ไว้ที่ใดที่หนึ่งนี้สติแก่กล้ามากนะสติตัวนี้จะทุดวๆเบิกเลยนะเนี่ย ทุกคนมีสมาธิอยู่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นประจำตัวเข้าใจไหมเอาไว้เผื่อลืมทรศาสหายสติตัวเนี้ยสตินี้มีพลังอยู่ประจำตัวแค่สิบเปอร์เซ็นจิตยี่สิบเปอร์เซ็นพลังพวกเนี้ย มันเป็นพลังที่พวกเราเอามาใช้ประจำวันทุกวันนี้เข้าใจไหมจะเอาไปใช้งานในสนามของความเป็นวิปัสสนาเขาจะไม่รู้จริงเห็นจริงเลยสติแค่นี้สมาธิแค่นี้ไม่เห็นจริงพระพุทธเจ้าถึงให้พวกเราเพิ่มพลังจิต ด, ด้วยการทําสมาธิเพิ่มสติด้วยการระลึก รู้อยู่กับจิตใจจิตใจถ้าปล่อยให้เขาเสพอารมณ์อยู่อย่างนี้เขาจะเป็นเขาจะไม่มีคุณภาพจิตใจที่จะมีคุณภาพคือจิตใจถูกผู้เป็นเจ้าของกําหนดดึงออกจากดงอารมณ์แล้วก็มาไว้ที่กายจิตถูกผู้เป็นเจ้าของดึงออกจากดงอารมณ์แล้วเอามา เป็นความรู้สึกอยู่จะเป็นจิตที่มีสิทธิ์เป็นสมาธิถ้าปล่อยเขาอยู่ธรรมชาติเขาจะไม่เป็นสมาธิเลยดังนั้นถึงเกิดการภาวนาเกิดขึ้นเกิดขึ้นภาวนาก็เพื่อที่จะบ่มเพาะจิตใจอันเนี้ยให้เป็นสมาธิเพื่อเพิ่มสมาธิเข้าไปการที่จะบ่มเพาะ จิดตดวงนี้ให้ถึงสมาธิสติต้องมาเป็นอันดับหนึ่งสติต้องรู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่จนกว่าจิดตดวงนี้จะเป็นสมาธิในขณะที่รู้อยู่จากการเริ่มต้นจนถึงจิตเป็นสมาธิสติตัวนี้กลายเป็นสติควบคุมไปเลยเนี่ยมันต้องเอามารู้ ทำงานทางด้านจิตตภาวนาเราบอกพวกคุณได้เลยว่าสตินี้ต้องเป็นหนึ่งถ้าขาดสติก็คือขาดจากการจากงานทันทีเพราะฉะนั้นการภาวนามันถึงเข้าไปในโลกที่เป็นบิญญาณสติก็ไม่มีตัวตน จิตใจก็ไม่มีตัวตนสิ่งที่มาทำลายก็ไม่มีตัวตนเข้าไปในจิตเข้าไปในดงของความเป็นวิญญาณแต่หารู้ไหมว่าดงของความเป็นวิญญาณที่จะลึกออกมาจากพระพุทธศาสนาเนี่ยสงผลให้จิตใจแต่ละดวง เป็นพร ะ, พระอาหารหันต์ไปแล้วพวกเราทำอะไรกันอยู่ถ้าพวกคุณยังให้ความหมายทางโลกอยู่คุณจะขาดทุนทางธรรมนะทางโลกนี้เราบอกพวกคุณเลยว่าพวกคุณไม่ได้อะไรแล้วละ่ะพวกคุณเสียเปรียบแบบเต็มเต็มเลยนะอุสา เรียนหนังสือมาตั้งแต่ชั้นป .1 ใช่ไหมประถมมัธยมจนถึงมหาวิทยาลัยถึงกระทันการทำการทำงานมีเงินมีทองอันนี้คืองาดหยาดเหงื่อแรงงานของพวกเราที่สูญเปล่าเลยไม่ได้อะไรเลยใช่ไหม ได้ได้รับความสะดวกสบายพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธแต่จะ่มามติดอยู่ตรงนี้เพราเราติดอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวนี้นะได้มาแล้วก็ยึดยึดมัน่นถือมัน่นทั้งทั้งที่อนาคตวันสุดท้ายเราไม่ได้อะไรแล้วล่ะถ้าพวกคุณปฏิบัติทำควบคู่กันมาตั้งแต่วันนั้น ป่านนี้เป็นผ้านะอาหารไปแล้วนะป่านนี้เป็นผ้าอาหารไปแล้วพึ่งมาเริ่มต้นเหนียวนี้เอมันทำอะไรกันอยู่เรานี้ออกมาบวชอายุสามสิบสี่ปีนะพ่อสวัวสามสิบสามเราอายุสามสิบสีเอ๊ะเรามาเจอธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ไม่เรามาช้าจาัง ความที่ว่ามาช้าของเรานี่เราบึกบึนในการปฏิบัติเต็มรูปแบบเลยนะสุดท้ายก็มาเจออันนี้ลหละพอมาเจออันนี้แล้วมาสงสารคนชาวโลกเราไปยืนอยู่วันหนึ่งเราทำสมาธิเนาะจิตใจมันก็เป็นสมาธิห่าใหญ่นะ เขาไปยืนอยู่ในมหาสมุทรของธรรมนะโอ้โหอันนี้มันธรรมะหลากหลายเสียเหลือเกินแต่ละจุดแต่ละ ม, มุมรู้สึกว่าเต็มไปอบวลไปด้วยความสุขความสบายชนิดที่มาไม่มีอะไรมาสร้างเลยมันเป็นอำนาจของธรรม เราก็บอกว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้านี่คือใครสอนเราให้มายืนอยู่มิตินี้ได้ซึ่งอบอวลไปด้วยความสุขทุกอนุเลยแต่ทําไมคนทั้งหลายเขาไม่เข้ามาพระพุทธเจ้านี้คือใครทําไมเป็นผู้มีสติปัญญาสอนเรามายืนอยู่ตรงนี้ได้เราก็มาคิด ถึงคนข้างนอกคนข้างนอกคนที่ฉลาดกว่าเราก็เยอะคนที่ดีกว่าเราก็เยอะคนที่มีสติปัญญากว่าเราก็เยอะแต่ทำไมเขาไม่เข้ามาตรงนี้พะ อ, ออกมาจริงๆแนละ้วอ๋อเขาติดอยู่กับยุคกับสมัยติดอยู่กับความเจริญติดอยู่กับการหาอยู่หากิน เขาไม่มีเวลาให้กับตัวเองที่จะบ่มเพราะบำรุงรักษาจิตใจดวงนี้เลยผู้ที่จะเข้าไปตรงนั้นได้ต้องเป็นผู้มีความสงบทางใจพอสมควรเข้าใจไหมนอ้อเข้าใจไหมนอ้อเข้าใจไหมนอ้อ เราถึงบอกว่าเออผมออกมาเห็นแล้วทีเนี้ยเราก็ผ่านมาผ่านมาผ่านมาแล้วก็มาเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดสามคัคคีบุญญารามนะที่จริงเราเราบวชเข้ามาเราใช้เวลาไม่นานนะกับสมาธิเราใช้เวลาสิบสี่วันเป็นสมาธิหาใหญ่เลย อยู่กับท่านอาจารย์ขานสามปีแล้วก็ไปอยู่กับท่านอาจารย์บุญจันทร์สามปีจากนั้นก็มาอยู่กับหลวงปู่หลวงมาอยู่กับหลวงปู่หลวงก็หลวงปู่หลวงมรณะภาพเขาก็ตั้งเราเป็นเจ้าอาวาสตอนนั้นพรรษาที่สิบสองเป็นเจ้าอาวาสแทนหลวงปู่หลวงพรรษาที่สนะิบสองะมันห่างไกลกันมากเลย หลวงปู่หลวงนี่ถ้าเป็นนักมวยก็โอ้แ oh, ฮ่วิเวดชกระดับโลกเรานี่มวยแทนมาเป็นเจ้าอาวาสแทนหลวงปู่หลวงก็เลยโอนะอายตัวเองวิทวุทธคุณวุฒิไม่อพอพอที่จะเป็นเจ้าอาวาสแทนหลวงปู่หลวงก็ต้ออาย ah, ตัวเองญาติโยมไปหานี่วิ่งเข้าป่าไผ่นั่นนะไม่ได้ต้อนรับญาติโยมเลยนะ เพราะความละอายมันมันไม่สมดุลกันเลยอยู่ป้าอยู่ไปค่อยๆสมดุลขึ้นมาก็ค่อยรับแขกขึ้นมาเนะี่ปก็มาสอนยอยยักโยมดอยขึ้นมาระดับหนึ่งเราก็มาคำนวณตัวเองว่าเอ๊ะถ้าเราจะได้เป็นเจ้าอาวาสขนาดนี้แล้วเราจะนั่งอมลิ้นอยู่เฉยๆมันก็จะเสีย เสีย่าดนะมั่งความรู้ก็เต็มพุงก็เลยมาเทศมาพานั่งสมาธิก็เลยออกไปกันใหญ่เลยไปกันใหญ่เลยโดยเฉพาะญาติโยมบัดอวเนี่ยใกล้เราที่สุดอะ่ะเพราะฉะนั้นการบำบุงรักษาจิตใจเนี่ยมันเป็นหลักวิชาการของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า วางไว้ให้พวกเราเป็นสะพานทอดเข้าสู่พระนิพพานนะแต่ถ้าพวกเราไม่ฝึกตัวเองในการบำรุงรักษาจิตใจแล้วพวกคุณจะเป็นชีวิตที่ขาดทุนยับเยินเลยนะเข้ามาเมืองมนุษย์มาเจอาศาสนาแบบเต็ ม, เ ต, มเต็มเนี่ยสมมติว่าออกจากเมืองมนุษย์ไปมีคนมาถามว่าเอา้าตื่งหมดอายุไขจากเมืองมนุษย์ไม่ใช่หรอ ถ้าจะได้บุญเยอะนะทีวทีนี้ก็ครูบาอาจารย์มาแทบทุกเดือนตายแล้วไม่ได้ภาวนาเลยโอ้บุญอันสำคัญไม่ได้เลยอันนี้นะอยากจะไปเป็นเทวบุตรเทวราเหลือไม่พอไม่พอไปเป็นอย่างอื่นนะอะไรจะเกิดขึ้นในตอนนั้นอนะ คำว่าบุญนี่มันสร้างได้เฉพาะเมืองมนุษย์ที่เดียวคำว่าพระอริยบุคคลสร้างได้เฉพาะเมืองมนุษย์ที่เดียวที่เดียวพวกเรายังไปหวังสร้างบุญสร้างกุศลพบในชาติไหนเมืองมนุษย์นี่มันเป็นเมนืองที่ให้พวกเราสร้างบุญญาบารมีสร้างบุญญาวาสนา แกพวกเราเออกมาเที่ยวเล่นกันหมดนี่โอเอเราอยากจะถามว่าพวกคุณหลังการตายจะไปที่ไหนกันจะไปที่ไหนกันไปคนเดียวนะพวกคุณไปคนเดียวเดี๋ยวนี้พวกเรากำลังใช้กรรมอยู่ในเมืองมนุษย์สามีภรรยาลูกหลานพ่อแม่นั่นล่ะคือเจ้ากรรมนายเบนตัวจริง เข้าใจไหมผู้ที่มาถึงตัวเราวันนี้คือเจ้าก ร, รมนายเวียนตัวจริงถ้าไม่ได้ทำอะไรร่วมกันไว้จากอดีตชาติมาไม่ถึงตัวเราเหรอกมาไม่ถึงตัวเราเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากให้พวกเราทำหน้าที่ให้สมบูรณ์หน้าที่ที่สำคัญ ส่วนบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องกับลูกหลานไม่ได้เกี่ยวข้องกับพ่อแม่สามีพันยาคือคือขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใสอันนี้จะเป็นบุญมากที่สุดเราไม่ต้องถามพวกคุณแนละ้วว่าจะไปไหนถ้าพวกคุณมีจิตใจอันใสสะอาดบริสุทธิ์พวกคุณมีหนทางเฉพาะตนของพวกคุณอยู่แล้วถ้าเราไม่ได้ทํา เราอยากจะถามว่าจะไปไหนกันจะไปไหนกันแค่ร่างกายของมนุษย์มาประดับจิตดวงนี้เขาเรียกว่ามนุษย์ใช่ไหมพวกคุณอย่าเย่ยยิงตรงนี้นะถ้าพวกคุณลืมทำบุญเมื่อไหร่ออกจากนี้ไปคุณไม่ได้เป็นอีกแล้วนะมนุษย์คุณจะเป็นอะไร ีิตรวงนี้เขาไม่เคยตายแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเขาเป็นอะไรก็ได้เกิดเขาพาเราไปเป็นมะแรงบีมะแรงวันเกิดเป็นริ้นเป็นไรเกิดเป็นได้หมดได้หมดแล้วถึงบอกว่า เออเขาไม่ยอมบุญมันมีสามระดับพระพุทธเจ้าเจ ต, ตนาของพระพุทธเจ้าจริงๆจะมาขนพวกเราไปพระนิพพานนะพอมาถึงเมืองมนุษย์เนี่ยออมมันมีหลายก๊กหลายเหล่าหลายหมู่หลายคณะเสียเลยเกินเมืองมนุษย์นี่นะบางคนก็ไม่เอาศีลเอาธรรมกลุ่มหนึ่งไม่เคยเอาศีลเอาธรรมไม่เชื่อทางพระพุทธศาสนาเลย อีกกลุ่มหนึ่งไม่อยากไปพระนิพพานเอา้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเอา้าเมื่อเขาไม่อยากไปพระนิพพานเราก็มีสิ่งที่จะให้เขามีความสุขความสบายอยู่คือต้องมีต้องให้เขาให้ทานอยู่เป็นนิดรักษาศีลอยู่เป็นนิดภาวนาอยู่เป็นนิด ให้เขาทำสามอย่างนี้เขาจะเที่ยวอยู่ในวัฏจักรอันนี้แบบไม่ได้ลงอบายแล้วพวกเราทำกันทั้งสามอย่างไหมหรือว่ามีแต่การให้ทานบุญเกิดจากการให้ทานถ้าเป็นบ้องไฟก็ตายคาไม่ขึ้นนะไม่ขึ้น ให้เขาทำสามอย่างนี้เขาก็จะไปเป็นเทวบุตรเทวดาบ้างมาเป็นมนุษย์บ้างเขาก็จะเที่ยวอยู่แถวนี้ละเขาไม่ได้ลงอบายไม่ได้เป็นเปรต เ, เป็นผีไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ขอถามว่าพวกเราทำทั้งสามอย่างไหมไม่ได้ทำทำอยู่แต่ไม่ครบใช่ไหมระวังจะหาว่าอาจจะมาไม่เตือน ผู้ที่อยากไปพระนิพพานพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ศีลสมาธิปัญญาตรงเบะ๊ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัตถุสิ่งของที่ไหนเลยตรงเบ๊ะเลยเนีย่ยให้เราบ่มพอจิตใจตรงนี้ฮะพวกเราโอ้ยน่าจะเทศสักห้าชั่วโมงเนาะวันนี้เนาะ กำลังจะเข้าได้เข้าเข็มก็หมดเวลาแล้วใครมีอะไรถามไหมคุยกันได้นะเราอยากเน้นนะวันนี้เนาว่าจะมันเน้นนะแต่มันเวลาน้อยแต่พอเข้าใจบ้างไหม <Yeah. S 1> พอเข้าใจเนาะหลักการทําสมาธิก็เลยไม่ได้สอนเลยไป บางเอาเองนะเราอธิบายไว้บางเทศบางที่ก็รู้สึกว่าอธิบายชัดเจนนะวันนี้เน้นเฉพาะอาการของจิตของกายถ้าพวกเรามีสมาธิพอเราก็จะเข้าถึงธรรมนะถ้าเราถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมมีธรรมอันนั้นล่ะคือเราจะเห็นพระพุทธเจ้า ชาตพิเศษของพวกเรากําลังจะผ่านไปแล้วในเดี๋ยวนี้นะพวกเรากศาสนามันอยู่ในลักษณะนี้ใะเดี๋ยวนี้นะมันจะผ่านไปแล้วอย่าปล่อยให้มันผ่านไปเฉยๆพระพุทธเจ้าเอาของดีมาฝากพวกเราพระพุทธเจ้าบอกว่าก่อนที่เราจะเสด็จเข้าสู่ปฏินิพพานเรามอบรางวัลอันนี้ไว้ให้กับโลกสักอย่างหนึ่งเถอะ คือคำสอนถ้าพวกคุณไปปฏิบัติตามเนี้ยพวกคุณจะเจอความสุขที่แท้จริงกันทุกคนเลยนะแต่พวกเราก็ไม่ได้เอามาบางคนก็เอามานะแต่เอาไปใส่แก่กันแล้วก็ไปตั้งไว้ตู้โชว์ใช่ไหมที่บ้านมีขวดไวน์ขวดอะไรเต็มไป เอาไปตั้งโชว์ไว้ใช่เฉยศาสนาไม่ได้หาประโยชน์มีอะไรมีใครจะคุยอะไรไหมมีใครจะสอบถามไหครับหรือว่าหลายท่านที่ถามได้ถามได้ไม่ต้องกลัวให้สี่เต็มที่ในการกำหนดจิตนะครับถามไม่ถูกอาตมาก็จะถามแทนยืนนอนมีใครจะถามไหมครับ แล้วที่ปฏิบัติมาบ้างแล้วนี่ถ้าสอบถามนี่มันก็จะได้เป็นเ้าเรียกเป็นวิทยาทานกับผู้อื่นด้วยนะครับยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยวันนี้เลยไม่ได้เพราะว่าด้วยเวลาด้วยจากัดด้วยครับอยากให้พวกเราเข้าใจในหลักเกณฑ์หลักการให้เข้าใจในความเป็นชีวิตมันมีอะไรประกอบประดับอยู่ในนั้นบ้างแล้วก็เข้าใจพอสมควรแล้วใช่ไหม ร่างกายเดี๋ยวนี้พวกเรามาใช้กรรมใช้กรรมเสร็จแล้วก็จะต่างคนต่างไปนะไม่ได้ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นโลกใบนี้ไม่มีอะไรเป็นความจริงตามที่เราคิดสามีภรรยาลูกหลานก็จะเป็นได้ช่วระยะหนึ่งเท่านั้นก็จะลบเรือนไปเลยเพราะฉะนั้นหน้าที่ที่เราจะต้องทำคือ ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ใช่ว่ามาตีมาด่ากันนะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหน้าที่ที่เราจะลืมไม่ได้คือขัดเกลกิจใจอันนี้ไปดีแน่สุขคโตแน่ถ้าลืมใจตัวเองแล้วก็โอมันกลับกันเลยนะเราอยากจะบอกพวกคุณว่าบาปกับบุญนี้ต่างกันมาก ถ้าเป็นขนมรสชาติต่างกันมากถ้าเป็นรูปแบบสวยหนูต่างกันมากถ้าเป็นสถานที่ห่างไกลกันลิบหลีเลยบาปกับบุญนี้จะเทียบให้ฟังนะ พระพุทธเจ้านี่เป็นผู้สร้างบุญได้มากที่สุดตลอดไปถึงความบริสุทธิ์ของใจพระเทวทัตนี่เป็นผู้สร้างบาปได้มากที่สุดสองคนนี้เมื่อออกจากเมืองมนุษย์แล้วไปอยู่คนละที่เลยใช่ไหมแล้วก็ห่างไกลกันมากพระพุทธเจ้าไปอยู่สถานที่อีกสถานที่หนึ่ง ที่ไม่ได้เจือปนด้วยทุกข์พระเทวทัตประอยู่อีกสถานที่หนึ่งที่เต็มไปด้วยทุกข์เราจะเอาอยัางไงกันเราจะเอาอยัางไงกับตัวเองให้คิดเน่ให้คิดวนะันนี้ให้คิดถ้าเจอกันก็อีกครั้งถึงจะเป็นการภาวนาจริงๆ วันนี้พูดระบบของร่างกายแล้วก็จิตใจธรรมชาติของร่างกายแล้วก็จิตใจวิธีห้ามยังไม่ได้พูดทำเพื่ออะไรยังไม่ได้พูดประโยชน์หลังการมีสมาธิแล้วยังไม่ได้พูดด้วยเวลาเราสงสารพวกคุณนะพวกคุณถ้าพูดถ้าเปรียบเทียบพวกคุณใส่กับระบบของ คำสอนของพระพุทธเจ้านี่โอ้เหมือนเด็กอนุบาลเลยอ่ะไม่รู้เรื่องเราถึงสงสารพวกคุณเราถึงสงสารพวกคุณจะไปกันยังไงเนี่ยเอาสมมติว่านอนคืนนี้ตอนเช้าไม่ตื่นเลยเนี่ยจะไปกันยังไงจะไปกันยังไงเราไม่มีใครช่วยใครได้นะตรงนี้นะ เขาก็จะซื้อสังฆทานมาอุทิศให้ได้รับหรือไม่ได้รับเขาก็ไม่รู้คนที่ทำเขาก็ไม่รู้เขาก็ทํามาบ้าบางบ้องจริงจริงจ้องจองไปแน่แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจา้าบอกว่าทําให้พอแล้วค่อยไปอย่าเป็นอย่าให้จิต ด, ดวงนี้ไปเป็นจิต ด, ดวงรอรับสังฆทานถ้าพวกคุณมีตาชานตาญาณมอง เผรผีทั้งหลายเขาจะเอาถังเหลืองห้อยสอบอวดกันอยู่นั่นแหละไม่มีอะไรกินเลยอยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นทำให้พอแล้วค่อยไปพอเข้าใจไหมระบบที่อาจมาอธิบายให้พอเข้าใจไหมเจอกันต่อไปมาพูดเรื่องการหักห้ามจิตใจเนาะ จิตใจจะทำยังไงให้เขามีคุณภาพจะทำยังไงให้เขามีสมาธิถ้าเรารักษาใจของตัวเองอยู่เป็นนิดทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาอยู่ในนั้นทั้งหมดนะแต่เขามีอย่างละน้อยถ้าเป็นน้ําปลาก็ไม่พอที่จะใส่แกงมันถึงในบ่มเพราะกันเรื่อยเรื่อย ลักษณะอาการของการเป็นสมาธิหรือว่าปัญหาอยู่ในจิตตภาวนาจะอธิบายให้ละเอียดละเอียดละเอียดให้พวกเราไปรักษาใจอันนี้ไม่ได้ลงทุนซักบาทไม่ได้เบกได้หาอะไรซักอย่างแต่ขี้เกียจขี้ค้านแต่เด้อ ความขี้ค้านมันจะทำให้เราไปลำบากในอนาคตชาตินะพวกคุณพวกคุณจะหวังพึ่งใครทาไมหวังพึ่งบุญของตัวเองพวกคุณจะหวังพึ่งใครไม่มีใครใจดีหรอกเราบอกได้เลยตรงนี้ไม่มีใครใจดีกับเราคนอยู่ข้างหลังนี่โอ้โหแปดปีเขาจะอุทิศครั้งหนึ่งไหมล่ะ เราบอกว่าไม่มีไม่มีอย่าไปอย่าไปหวังผลตรงนี้ให้ทําทําเอาเองไม่มีใครถามอะไรเลยกราบขอกาสพระแม่กว่าอาจารย์ครับอดีผมว่านะทุกคนเนะ่ะทาได้นะถ้าแต่ถ้าได้ทํานะคือทํนที่นี้ก็คือคือให้มีสติ สติอยู่ตลอดเวลาพยายามระลึกนึกถึงเข้ามาไว้ที่ฐานให้ได้ออกจากห้องนี้ไปแล้วก็พยายามให้มีสติอยู่กับกายให้ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่อนยะพอออกไปแล้วปุ๊บก็ทิ้งเลยลืมพอออกจากห้องนี้ไปปุ๊บก็สติก็ไม่มีแล้วครับอย่างที่พระอาจารย์ว่าไ ป, Co, ไ, ป Home Pro, ไปแมคโครไปโฮมโปรไปอะไรก็มนหสติไปอยู่ที่นู่นหมดนะครับเพราะนั้นก็ขอให้รักษาสติอะ ให้มั่นคงนะครับมีอะไรก็ให้ระลึกเข้ามาที่ฐานอยู่ที่ฐานไว้นะครับลื่มทําพูดคิดอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีสติกลับมาดึงกลับมาไว้ที่ฐาน<ล>คิดอะไรก็ให้รู้พอคิดคิดเสร็จกลับมาให้อยู่ที่ฐานไว้นะครับผมเองผมก็ริบบะผมก็เนี้ยพยายามดึงสู้กับพวกกิเลสต่างๆที่มันมายั่วยวนางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันมาทุกทิศทางอ่ะแต่เราก็มีฐานอยู่ที่ตั้ง เราก็กำหนดเข้ามาไว้ที่ฐานเรานะเราวลึกไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวเขาจะทำงานเขาเองเขามีกำลังพอติดตัวนี้เขาทำงานเองถ้าเขามีกำลังนะครับฝากไว้แค่นี้นะครับผมบจำไหมนะน้าอีกที่เราจะมาชี้การปฏิบัติให้พวกคุณได้ชัดเจน ตอนนี้ถือว่าเริ่มต้นแค่นั้นให้รู้จักกิจกับกายแต่ทีนี้เราจะมาชี้ให้พวกคุณรู้จักวิธีปฏิบัติเพราะฉะนั้นพวกคุณเริ่มต้นเนี่ยพวกคุณรักษาตัวเองอย่าให้ตัวเองไปโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้ว่าคนนั้นคนนี้พยายามกดคุมตัวเองอยู่ตลอดมันไม่ดีหรอก จิใจตรงนี้มันเป็นอย่างนี้มาหลายกลับหลายกันสร้างบาปให้ตัวเองสร้างบุญให้ตัวเองได้น้อยมากที่สุดแต่สร้างบาปได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นการบ่นพึมพำด่าคนนั้นบาคนนี้ในใจมันเป็นธรรมชาติของเขามานานแต่มันมีระดับที่จะยืนอยู่เหนือตรงนี้อยู่นะค่อยๆปฏิบัติไป เดี๋ยวเบื้องต้นนี้ให้พวกเราพยายามอย่าตู้อย่าเที่ยงอย่าแย้งอะไรใครจะพูดอะไรให้เราเชิญตามสบายเชิญตามสบายตัวของเราไม่ชั่วตามคำพูดของเขาไม่ต้องตื่นเต้นเขาอยากพูดอะไรให้เขาพูดไปเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้ให้เราสบายสบายกับตัวเองพยายามปลอบตัวเองอยู่ตลอด อย่าให้เขาเศร้าอย่าให้เขาเครียดให้เขาอยู่ในจุดที่วบาสบายสบายจิตใจตรงนี้ประคบประงมอันนี้คือพื้นฐานลงไปก่อนจากนั้นเราก็จะมาพูดเรื่องหลายเรื่องเรื่องการเข้าสู่สมาธิมีอะไรบ้างมีมันมีหลายอย่างนะมีพวังคคตจิตมี อุป ก, กิเลศมีอะไรเราจะมาบรรยายให้พวกคุณเข้าใจแต่ให้พวกคุณจําไว้ว่าเราพูดมาถึงไหนอ๋อพอครับขอกาอาจารย์นะครับก็คือครั้งที่แล้วนะครับได้สรุปไว้อย่างงี้ครับขอกาอาจารย์ครับท่านให้อว่าตว่าการควบคุมจิตไม่ให้เสพอารมณ์มีสติรู้อยู่รู้อยู่ที่ฐานของจิต แสดงว่าคนคนนั้นใกล้ความเป็นสมาธิมากที่สุดคนฟุ้งซ่านไม่มีสติควบคุมปล่อยให้จิตใจของตัวเองเสพอารมณ์อยู่ตลอดเวลาจิต ด, ดวงนี้จะไม่มีโอกาสเป็นสมาธิได้เลยจงพากันใช้สติควบคุมจิตใจมาตั้งไว้ที่ฐานทำให้เป็นความรู้สึกอยู่ตลอดเวลา ยืนเดินนั่งนอนดื่มกินทำพูดคิดก็ให้มีสติเป็นความรู้สึกอยู่รู้รู้สึกอยู่ถ้าทำได้อย่างนี้แล้วถือว่าได้ยืนอยู่ในท่ามกลางความเป็นอริยธรรม